พาบริบาลทั้งห้าร้อยคนนี้ไปเอไปก็มองเขาไปอะไรองเ้ยไปหาพระพุทธเจ้าอย่างเง้ยเออหาไหนพุทธเจ้าเนี่ยมาหาเราเนี่ยเราบอกไม้หมดนั่นแะใครจะไปที่ไหนอย่เง้ยออพวกลูกศิษย์พุทธเจ้าเนี่ยบอกพรามเนี่ยจะไปรู้ได้ยิ่งกว่าพุทธเจ้าได้ยังไงพรามก็เลยงงเลยเอย๊จากนั้นก็เลยไปฟังเทศพุทธเจ้าไปถามพุทธเจ้าโดยที่เป็นยังไง พระพุทธเจ้าเห็นว่าหัวหน้าพรามนี่จะมาแล้วงั้นเถิดพอมาเอากะโหลกคนที่ตกนรนกคนที่ไปเป็นเปรตคนที่ไปเป็นสัตว์ที่ดิฉานคนที่ไปสวรรค์คนที่ไปพรมแล้วก็พรผลาญหกกระโหลกว่างั้นเถิดเอามาเอามากับพรามคเคออะไรอย่าง น, นั้นน่ะคอกระโหลกปอก ป, อ ก, ปอกกรบอกก็จริงนะพระพุทธเจ้าท่านเออจริงพธยาติยอมรับแลว้วอ่างนั้นแ่ะจริง ข้อกะโหลกที่สองกระโหลกที่สามกะโหลกที่สี่กระโหลกที่หกวางั้นเถอะพอถึงกระโหลกที่หกเคาะป๊อกป๊เงียบข้อกระโหลกพระรหัสนั่งงานเถอะไม่รู้จักทางไปทางมาเลยแต่เนี่ยเคาะเสด็จเงียบพุทธเจ้าถามว่ารู้ไหมไม่รู้ว่างันเลยเขาก็เก่งเหมือนกันนะชายอีกวันนึงบอกว่าท่าเคาะกระโหลกไหนแล้ว